ชุนี้ตั้งใจจะให้เป็นส่วนแก้ไขอารมณ์เวลาเรปฏิบัติพอปฏิบัติไปีมันมีนิวรนต่างๆเข้าเป็นงงเป็นเงาเป็นเบือ่อเป็นเซ็งบางทีเราใช้วิธีกาหนดรู้อย่างเดียวเนี่ยก <c oughs> ำลังของสติมันไม่พอกำลังของตัวล้วก็ใช้เพิ่มนะเพิ่มกำลังสติวิธีการเพิ่มกำลังสติทำไง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 ดังนั้นพอระยะยาวไปมันก็จะมีนามารูก ป, ปรากฏเพราะมันมีการกระทบตลอดเวลาใช่ไหมตาก็ยังเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกก็ได้จมูกรถในใ น, ในอายัดนาในส่วนที่มันไม่ค่อยสัมผัสบ่อยๆเท่าไหรนะ่นั้นก็จะมีะกลิ่นกับรถกลิ่นกับรถจะปรากฏต่อเมื่อเราไปดื่มไปเสพไปกิน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 แล้วก็สัมผัสคือเย็นร้อนอ่อนแข็งแขงตึงที่มากระทบร่างกายและตัวอารมณ์คือตัวรู้สึกสบายหรือไม่สบายหรือเฉยเยเราได้สัมผัสอยู่เสมอนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจเจริญสติเพื่อเฝ้าดูอย่างนี้โดยอตอกย้าชัดเจนเสมอเสมอแล้วก็ไม่ยึดนะทีนี้ปกติของมันก็คือจะมีการเกิดขึ้นของอารมณ์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 ได้ทุกกเิเลสบทได้ทุกกะโลคภัยใข้เจ็บได้สูญเสียจริงๆแต่ว่าตัววิปัสสนากรรมฐานที่พระองค์ค้นพบเนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปบาบัดไปแก้ไขไปรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ให้ดีที่เรียกว่าพุทธโอสุทธรรมโอสถสังคโอสถ์แต่ว่าทำไมจึงไม่เวิร์กเท่าที่ควรก็ขาดองค์ประกอบสังากาดต่อย้าเสมอองค์ประกอบสังกัดยมจาไว้ในใจเลย โยมสุวนาจำได้เลยอย่างองค์ประกอบที ah. oh. ่สาคัญสองประการคืออนี่เห็นไหมจำไม่ได้ละโยมสุวนรณธาองค์ประกอบหลักๆที่พูดมาแท้ไม่ไม่เอามากําลังทางว่าองค์ประกอบสองประการที่สาคัญเนี่ยคืออะไรจาได้ไหมองค์ประกอบที่สำคัญคือมีอ่าสติวิริยะใช่ปะอ่ยมทังส่วนโยมลืมหมดเลยเห็นไหม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 และก็สิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือเรามาสู่ที่วัดเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเท่านั้นนะความจริงเราทําที่บ้านก็ได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่วัดที่เป็นกายาณสัมปวังกาตามีความสงบมีกายา น, นมิตรแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรอย่างที่คอยปกป้องเราไม่ให้เรามีอะไรมารบกวนนี่เขาเรียกกายาณสัมปวังกาตาเป็นองค์ประกอบเหตุใกล้ให้เกิดตัวที่สองคือโยนิสูรมนุษย์กาลยานินสูรมนุิยกาลก็แบ่งเป็น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 แม้แต่ในส่วนที่ง่ายที่สุดเรายัางทำไม่ได้และส่วนที่ยากไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้คือข้อว่าทำไมเราปฏิบัติยากทำไมมถึงช้าทำไมจึงไม่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้อาศัยสตีปัญญาขั้นลึกซึ้งอะไรใช่ไหง่า ย, ายแต่ว่ามันไปอยู่ที่ไหนเพราะเราขาดศรัทธาที่จะทำเห็นหมศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้อมาขาดศรัทธาที่จะรู้ศรัทธามแีแต่ว่าโยนสม